อืมมาเตรียมนั่งให้เรออยียบร้อยวันนี้ยุ่งทั้งวันยังเลยยังไม่ได้ส่งน้ำยังไม่ได้กินข้าวแล้วนี่ถ้าประโยคหลังไม่น่าจะใช่น่อืมอืมอันนี้มันเรื่องจริงกันเนี่ย ที่พูดทั้งหมดเรื่องจริงเนะ mm hmm. แสดงเอาปกติกินใช่ไหมไม่ได้กินข้าวเย็นนะข้าวร้อนก็ไม่ได้กินด้วยก็ mm hmm. เลยไม่รู้รสชาติข้าวร้อนไปยังไง คือไม่อยู่ในสมองเขาลืมไปเลยว่าจะต้องกินข้าวมันมันไม่เหมือนเจ้าบ้านก็แสดงว่าสิ่งเหล่านี้มันโปรกแกรมไดค้คือพูดไงก็ฝึกได้แล้วปลุกให้ยินบอกว่าฝึกได้ขอร้องนี้ฝึกได้คือจากเดิมมันมากลดให้มันน้อยลงได้เช่นกินมากก็กินให้น้อย ไม่ได้ไปว่าไม่กินนอนมากนอนให้น้อยถาได้คือสามารถทำได้คือปลึกไดแ้แต่เราไม่เคยเราไม่ชินถึงเวลานอนก็นอนจริงมันทำได้าทาง น, น้นกลังเทศเหมือนกันอนะ สรุปว่าเราเป็นเดือนแล้วนะเป็นอยู่นี่เป็นเดือนแล้วนะเกือบทุกวันพระที่ผ่านมานะใช้งานเกินเมื่อก่อนมาเนี่ยเขาเรียกมามาต่อๆกันสงถึงสบสองเลยตามเราตอนนี้มาเป็นคู่เลยเนี่ย นี่กำลังติดต่อใหม่ละจติดต่อมาอะไรกันอีอจะรีบตายไปไนะหนเขาเขาวิงไปวิงมาตั้งแต่ศพ ส, สนะองศพสามศพเนอะเพราะว่าไม่รู้จักกันก็เหมือนกับรู้จักก็เลยวิ่งไปวิ่งมา ผ่านมาเยอะเมืม่อเช้านี่ใครคนที่ยังไม่มาฟังเทศอก็เงไปฟังเมื่อเช้าเมื่อเช้านี่ดูุไม่เมื่อเช้าดุมากด้วยตายแล้วตายแล้วตายแล้วนี่ันดุมากด้วยนะโอ้โหโอ้โห ดุมากด้วยดูปานกลางก็พอแล้วเล่นบุมากเลยอ่ะอืมอืมไม่หรอกเล่นยังไงเขาก็าบอกว่าเราดุอยู่แล้วละ่ะปกติเขามองว่าดุอยู่แล้วอืมอ แต่ในทุกนันปาะก็ไม่ค่อยดีนะอืมแลวพอดูดีแต่ว่ามีบ่อยไม่ค่อยดีอือแล้วมาแล้วตามอิปเจยของมันนะเอาวันนี้เข้าเรื่องยันรอยสมัยพุทธกาลซึ่งวัน การพระเธอแล้วก็พยายามจะเอาเขาไม่เอาสาวกเราเอาเอาสาวกมันเขาจะเอาแต่พระพุทธเจ้าก็าไม่เอาสาวกตอนนี้กําลังลําบากอยู่ตอนนีน้พวกคัดขานคือไม่เอาสาว ก, กเอาแต่พระพุทธเจ้าแต่เราเราพยายามที่จะเล่าพุิประธาตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมา สาวกเลยเพราะอันนี้คือขนไก้จิตส่วนพระอนนท์ก็เล่าปฏิปทาคิดวัดข้อวัดที่นารักของท่านพระมหากระสปะก็ไปแล้วอนี้คู่คู่สาวกก็คือพระโมคคัลลาสาริบุตรซึงก็เป็นสาหายกันเป็นสาหายทรรมเป็นสาหายกันเป็นสาหายตั้งแต่เป็นชาวบาพพ้านพวกนั้นก็เป็นเพื่อน เ, เพื่อนังเป็นคารวะไปเที่ยวไหนทเที่ยวด้วยกันแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่รู้จะเรียกยังไงเนาะถ้าจะเรียกชื่อตรงๆอยูมันก็มันก็เหมือนดูกะไรจะเรียกเหมือนแต่เราเรียกก็เรียกว่าหลวงปู่มคขลาณนะมันก็มันก็ดูเหมือนกะไหรหลวงปู่สารีบทเนี่ยก็ มันไม่เคยเรียกกันสุดท้ายแล้วก็เรียกตรงๆซึ่งซึ่ ง, งทั่วไปเขาไม่เรียกกันเซนพระนัน้นพระนี่พระโ น, โน้นนะเขาปกติเราจะไม่เรียกกันแต่ทางเนียมไ ท, ย, ท, ย, ทยเราะถือว่าท่านโมคลาสารีบุตรแล้วกันยุงเดี๋ยวเข้ามาไม่แปลกเลยไม่เนหนน้องๆคอยเปิดแล้วก็เจออะไรท่านนี้นกึกว่าโพูดอยู่ประจำ มันก็ไม่เกิดปัญญาเออสิ่นนี้เราก็ไปโทษยุงเออประเถรว่าทำไมยุงมันเยอะจังอ้าแสดงว่ายุงมันฉลาดกว่าคนด้วยงเนี่ยพระที่พูดประจันให้เกิดปัญญาดูแล้วดูอีกบอกมันต้งเกิดปัญญาคนเดิมร้อนคือเราเห็นหมะุ้ษา กำลังเสนอว่าเอ๊ะมุงรุ่เนี่ยรือหมดดีมั้งดีไหมไม่ดีอนาะเออนี่ยก็เนี่ยก็ตัวปัญญาเป็นอย่างเงี้ยเราก็ก็ไม่จํามนกันเราก็ยังเป็นอยู่อย่างเนี้ยข่าวเรื่องผู้มีปัญญามัาง้งพระสารีบทมรโคลานะเธอเป็นบุคคลผู้มีปัญญา แน่อนอนก็ทยอยออกไปออกไปวั น, นึ่งออกไปมันก็ยังตามไปอละทิ้งไปตัว อ, อย่างไปทางะไรก็ไม่รู้ลูกหลานเอาลูกขอมาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขับมาอมอืมสาธุเห็นไหมเน่ะมันรีบสาธุเลยเห็นไหมเออเอาลูกขัามาเลี้ยงเอาเมียงเขับมาอมสาธุเลย อืออืมโอ้ท่าไวอเอามาเข้าเรื่องสรบโวมกลานะพะสรีตมกลานะท่านเป็นผู้มีปัญญามกลานะท่านผู้เลิทางบุตรและทางฤทธิ์แต่ว่าจะเรียกตรงตรงนี้ก็ได้นะเขาพูดเรื่องไงท่านมกลานะลูกผู้มกลานะเนาะเป็นผู้เทางฤทธิ์ แต่ตานใช้เวลาเจ็ดวันถึงจนะบรรลุส่วนคุสารีบุตรสิบห้าวันถึงมีปัญญาแต่ว่าขอ้อแตกตา่างขอ้อแตกต่างหมายถึงธรรมะที่แสดงหลวงพ่อมกลานะหลวงปู่มกลานะหลวงปู่พูดนะเรื่องความสิ้นไปแห่งตันหาจะเป็นภาษาเราอ่างไ ส่วนหลวงพ่อสารีบุตรเนี่ยไม่ได้เทศให้ฟังโดยตรงพูดถึงยอกเทศให้พราหมปา์ปริภัชกปริภัยชกคือนักบวชลัทธิทีหนึ่งในสมัยนั้นเป็นเป็นนักบวชต้อพูดงงเหมือนดูสีเหมือนอเลปันต์เขาเรียกวนักบวชแต่เรียกว่ปริภาชกกางจะเทศให้ปริภัยชกฟังแล้วก็ท่านสารีบุตรเน่ะ อยู่ข้างหลังกำลังพัดวีน่าจะเป็นหน้าร้อนใช้พัดวีอยู่ข้างหลังพุทธเจ้าเรียกพระปริสดางแปลว่าข้างหลังข้างหลังพุทธเจ้าในขณะทีแ่บบพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ปริพาโชคได้ฟังเรียกวัดทีพระนาคปริพาชกอาคาเวสนะโคตโคตคือตระกูลนั่นแหละ ตป็นตะโกนตะโกนชอบเหมือนกับแส้เมันก็บนามสกุลนี่แหละเขาเรียกตามโคตแต่ท hmm. ี่ท่านเรียกว่าทีฆะนักะาแปลว่าท่านเอาไว้เล็บยาวทีฆะแปลว่ายาวนักขาแปลว่าเล็บปริภพอชกก็มีเล็บยาวเป็นภาษาร่องข้ารังเกเทพเทพให้ทีฆะนักขาปริภาชกนักขาเวสณะโคตฟัง ไม่ได้เท่นไหลวงพ่อเสลย์บุรฟังอ่าไม่เกี่ยวกันเลยนะแต่ว่าได้รับอานุนส่ก็เล่าผลผลผลก่อนว่าอันนี้หลังหลังหลังบบกคณะอีกเจ็ดวันที่ทำถ้าพกใครไปอินเดียนะ่ยน่าจะนึกภาพออกเขาคิดจะกโกด์อ่าบนเขาคิดจะ๊กโกด์เรานึกภาพออกไหมที่ขึ้นกันเปล่งเปล่งเปลงก่งอนจะถึง หอบแล้วหอบอีกนะคือเนะีเขาพิจิกูดจะมองออกมาข้างล่างเห็นวิวโดยกานอันเนี้ยบุญยากล่อมเทท้ายปริปัจกคนที่ฟังแล้วภาษารีบุตรเนี่ยถ้าดูลักษณะอย่างนี้ก็แปลว่าเสด็จพระอานอนท์ก็ไม่ได้ไปพุทธเจ้าทุกแห่งเพราะตรงนั้นเป็นที่อยู่ของพุทธเจ้ามีกุฏิพุทธเจ้าอยู่ด้วยนะพระอานอนท์อาจะอยู่แถวนั้น ยงเป็นที่มาว่าขอพระพุทธเจ้าว่าถ้าที่ไหนไม่ได้ไปด้วยฟังขอพูุทธเจ้าเล่าให้ฟังลอยพระอนณนฟังจะเป็นที่ม า, าอันนี้ก็เช่นเดียวกันพระไตจปบฎนั่งอยู่ข้างหลังหลังพัดพระพุทธเจ้าอยู่ก็เทศให้คือข้านาคาปริบาชกเรื่องเวทนังสอง เอาเป็นผลก่อนผลของการแสดงธรรมในครั้งนั้นพระสารีบุตรท้งทางที่ไม่ได้แสดงให้ทางโดยจตร ง, ง, ง, ง, ง, งเป็นผู้ฟังอยู่ข้างหลังก็อโอประาอีโคคือเอาชิตน้องตามคำของพระพุทธเจ้าพอได้บรรลุพระสารีบุตรส่วนที่ค่านะะักะปริประชกนั้นเขาแชกคําว่าดวนตาเห็นธรรม ก็แปลว่าพระสโสดาบันคนที่ฟังตรงๆได้สโสดาบันได้แ่สโสดาบันอาจจะเหตุเพราะว่าความประพฤติของแต่ละคนนิจัยบารมีไม่เหมือนกันเข้าไปพราหม์ันเป็นปริบันุชกศรัทธาอาจจะไม่เหมือนกันไม่ตรงกันแต่ก็เชื่อว่าสำเร็จสำเร็จทั้งคู่แต่สำเร็จขั้นแรกก็คือขั้นสูงสุดตอนนี้ข้อ ข้อเทศนาในระหว่างที่ข้อแตกแต่างระหว่างท่านโมคลานะกับจะเรียกว่าตีคติข้ขาวขาอะกันพ่อไม่ได้เทศน์ท่านสร็จฟังโตรง ก, ก็คือเรื่องเวทนาเนี่ในสตรีประธานที่เป็นปริยัติก็คือกายเวทนาจิตธรรมก็คือตัวที่สองท้าพุทธะนี้ อันนี้ขออนุญาตพูดถึงภาษาเราเป็นสำนวนเป็นภาษาเร า, เ, นน เ, า, าเราถ้าเป็นภาษาเป็นภาษาสูตรเราก็จะฟังยากมันก็จะซ้าไปซ้ำ ม, มากลับไปกลับมาซ้ํากับที่เดิมก็ขออนุญาตเป็นภาษาเราเราทําความเข้าใจเป็นภาษาเราเราแต่ว่าอย่าลืมว่าสั้นๆก็จริงแต่ทั้งเวทนา ก็ตามตันหานี่ก็ตา ม, ตาอตามของโมคลานะั้นมันคล้ายคึงกันมันเชื่อมโยงตัวกันมากๆกแต่ที่สำคัญคือคำนี้นอกจากโมคลาสาเรบุตรแล้วยังมีคนหนงที่ฟังแต่ไม่ใช่คราวนี้คือเท้าสักกะก็ทำข้อนี้เช่นเดียวกัน ทาสกัก็ได้และอานได้ทำไปทาสกัดที่เราเข้าใจกันนี่แหละก็ได้สำเร็จเบื้องต้นไปในขั้นต้นอันนี้คือข้อความแนี้เรากาลังจะพูดถึงว่าสิที่พุทธิยาพุทธ่จะสื่อให้ที่ขนาาันธ์ข่าหรือท่านสริจวุตรก็ตามโมคละก็ตามถึงแม้มันคนละเรื่องคนละที่ คนละเวลาแต่เนื้อหามันเชื่อมโยงกันอันนี้โดยเนื้อหาเชื่อมโยงตรงที่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันจริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องในโดยเนื้อห์แต่ในความเป็นจริงจริงๆมันเกี่ยวเนื่องกันถ้าเอากายกายคือรูปคืออัตตา การใช้รวมรว่าอัดขงเป็นแกนคือเป็นหลักเมื่อเวลาพระเจ้าจะสอนเน่ยถ้าจะเอาร่างกายของใครของขันเอามาเพื่อยืนยันสอนตั้งแตงโหจะหลดเท้าพุทธนะถ้าเราจําก็คือถ้าสี่กันห้า น, นั่นแหละแต่ถ้าใช้พรรวาวว่าอัดตาตัวสังขารนะที่เราปรุงแต่งก็ใช้กาว่าสังขาร นี้มัเริ่มต้นว่าทําไมมันต้องคล้ายคลึงกันว่าคำ ว, วา่าเวทนาเนี่ย้ก็คือเวทนาคือการเสวยคือการเสวยเสวยอะไรเสวยอารมณ์อารมณ์เกิดจากอะไรเกิดจากถ้าเราภาษาภาษาจนเกิดเป็นที่มาภาษาและเกิดความอยาวแต่พูดง่ายภาษาเราง่ายนะเพราะฉะนั้นมันความเชื่อมโยงกันตรงนี้ ถ้าเป็นภาษาเราง่ายๆขึ้นเวทนาคือสุขทุกข์และกกลางๆนี่คือคําว่าเวทนามันแช้กับอะไรเพราะว่าสุขทุกข์เฉยๆตัวนี้คือตัวเวทนาแทะที่จริงมันเป็นแค่ชื่อมันไม่มีรูปไม่มีร่างเพราะนั้นคําแรกใช้คืออัตตาเพราะต้องอาศัยอัตตา ตัวนี้ถึงจะอยู่ได้มากาตัวเวทนาเนี่ยมันถึงจะอยู่ได้แตวตัวเวทนาเนี่ยปลายทางของเขาตัวตัวแรกก็คือสุขะทุกขะหรือว่าเฉยๆตัวสุขะเวทนาเนี่ยปลายทางของเขาก็คือราคะทุกขเวทนาปลายทางเขาคือ โทสองาทุกขมะคือไม่สุขไม่ทุก์เนี่ยปลายทางเขาคือโมหะถูกไหมไม่ใช่คำว่าเวทนาหรือภาพรวมมันไม่ใช่คำว่าสุขทุกข์เลยทีนี้การเกิดการเกิดของเวทนาท่านบอกว่าเวลามันเกิดมันไม่รู้จากเกิดจากปจัจจัยอะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าภาพรวมก็แล้วกันเวลาการเกิดเวทนาเนี่ย เขาไม่ได้เกิดพร้อมกันลักษณะการเกิดเช่นสุขเวทนาเกิดขึ้นมันก็เกิดเฉพาะสุขเวนทน า, าทุกข์ขาวอาทุกข์่าวมันยังก็ยังไม่เกิดพราะไงคือมันเกิดพร้อมกันพกพบาไงคือไม่ได้เสวยพร้อมกันอันนี้คือภาพรวมของเราเนาะนั่นก็แไปว่าถ้าสุขเวทนาเกิดขึ้น เราก็จะลืมคือโมอหะลืมว่ามีทุกขเวทนาอยู่ลืมว่ามีอะารได้ตัวที่จะกดตัว น, นี้ลงได้ไม่มีอะไรที่จะกดมันได้ตัวที่กดมันได้มีทุกเดียวคือสมาธิกดได้แต่เ่งาว่าทับไว้ชั่วคราวกดไว้ชั่วคราวเพื่อไม่ให้มันเกิดอาจจะบอกว่าดับก็ได้ เกี่ยับวคราวนะชั่วคราวที่มีสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเวทนามากคือโดยโดนเวทนาเแบบียดขันเยอะๆ อ, นะอันนี้มง่งไปที่ทุกขเวทนาเพราะเกิดลำทนไม่ได้พราใครไม่เคยฝึกสมาธิเลยคือจิตไม่สามารถที่จะคมตัวนี้เลยทําไม่ได้แก้ลึกเลี่ยงตัวนี้ไม่ได้ ก็มีวิธีเดียวถ้าจะหลบ ก, ก็คือทำใจเป็นสมาธิคือใ น, นยิ่งอัปปนายิ่งดึงเพราะจะไม่รับรู้เรื่องกายนี่เรากำลังจะพูดถึงว่าเวทนาเนี่ยมันไปอยู่เรื่องกายรอนนี้แสดงเวทนาในจิตมันก็มีเช่นคาว่าสุขสุขทางกายและสุขทางจิต โดยตอนนี้เป็นตัวกดไว้ตัวทับเอาไว้ไอ้นี้ถ้าจะกดทับเวทนาตัวนี้อันนี้หมายถึงทุกขเวทนาที่มันมาอย่างแรงกล้าภาพไม่มีสาธิก็เป็นสมาธิระงับได้คือระงับเวทนาตัวนี้ได้แต่ข้อเสียขอมันคือมันไม่มีสติในขณะนั้นถ้ามันมมีสติมันคงรู้ตัวว่าเออ สุขมันทุกข์หรือว่าเฉยๆครับมันมีสติแต่มันไม่มีสติแต่ว่ามันดีตรงว่าบันดับเวทนาตรงนี้บ้างโดยกดทับไปโดยสมาธิเพราะฉะนั้นจึงบอกพวกเราทุกครั้งเสมอว่าถ้าจะให้จิตมันพักนั้นต้องพักอย่างนี้ถ้ามันไม่ได้พักเลยมันก็เป็นอย่างเนี้ยมันทํางานตลอดก็จะพักต้องพักอย่างนี้แล้วก็ทําให้มันชํานาญจะไปรีบจะไปร้อน ทให้มันชันจนชิ่นน่ะจนชำนาญอันนี้ก็อัปปนาสมาธิพอได้พอติดถอนออกมาปุ๊บมันก็ผัสสะคือกระทบข้างนอกผัสสะก็เวทนาตามหาคือสุขทุกข์เฉยอันนี้คือหลักๆเลยแต่แล้วกเกิดความอยากขึ้นมาก็เลยตันหาตันหาขึ้นมาแล้วเกิดการยึดน่ยึดอะไร เพราอัตานี่แหละเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านหอดจึงใช้ร่วมกับอัตตาเพราะสี่ตัวหลังนะั้นมันเป็นน้ำมันอาศัยอัตตาอยู่คือรูปอยู่ถ้าไม่มีรูปมันอาศัยไม่ได้มันอยู่ไม่ได้นี่ข้หมายในะว่าอัตตาจีาไม่มนอาศัยกันยังไงมันยึดอะไรคาว่าปัสสะคืออะไร อุปทายนะคือการยึดถือยึดถืออะไรก็คือยึดถืออัตตาคือตัวตนนะั่นแหละคือตัวตนอัตตาเป็ติยึดมันยึดว่าอย่างไรมันยึดว่าเรายึดว่าเขาคือเป็นเจ้าของก็ทุกอย่างก็จะตามเราจิตาเราหูเราปาเราจะหมกเราคือทั้าหมกร่างกายเรา อันน้คือคำว่าอัตตาเพราะใครยังทำลายอัตตาไม่ได้ทำลายเราเขาไม่ได้มันมีเรามีเขาอยู่หลายวันก่อนนี่ก็มาถามกับพุทธลังนี้แหละบอกว่าทำให้เราทุกข์ถามว่าเราคือใครบูคคลถามเขาว่าเราคือใครเรา ก, ก็คือตัวเองเขาเข้าใจอย่างนั้นกลับไปกลั บ, บ, บ, บมาวนไปเวียนมาแสดงว่ายัางไม่เข้าใจ อย่ามันก็จะอัตตาคือเราคือเขาเพราะมีเรามีเขาอยู่เนี่ยเียกคำว่าอุปทานอ่ะคือยึดถือความหมายมันก็ยึดเรายึดเขาเนี่ยไอ้ความที่ยึดอนเนี่ยมันเนื่องจากยึดแล้วมันไม่ปล่อยเหมือนถือและมันไม่วางมันเป็นอย่างนี้คําว่ายึดแล้วก็ถือก็จะตามไปถือเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าจัดเนี่ยจัดเป็นกระบวน คืออธิบายตั้งแต่หัวแถวกลางแถวปลายแถว อ, อธิบายว่าอันเนี้ยสุดท้ายปลายทางถ้าเราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ยเป็นใจรักปลายทางเขานะก็คือปลายรักใจรักใจรักก็การระดับขั้นตอนการเกิดขึ้นของมันการดํารงอยู่ของมันและการดับไปของมันก็คือกระบวนการของเขา เราเห็นว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยๆก็ดีกระบวนการการเกิดของเราเริ่มต้นจากตรงไหนอะไรเป็นปัจจัยอะไรเป็นเหตุแล้วเหตุและปัจจัยนั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล ะ, ะไปให้ที่ตัวเองเรียกว่าเราเราเราน่ะเร า, เ ร, า, เ ร, ารู้ไหมเราเข้าใจไหมล้วเห็นสิ่งเหล่านั้นไหมถ้าเห็นเห็นบ่อยขนาดไหน ผลการเห็นเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าพยาอธิบายว่าเห็นการเกิดขึ้นเห็นการตั้งอยู่ถึงการดับไปนี่คือคำว่าเห็นคือวิปัสสนาในในข้อหมายของพระพุทธเจ้านั่นแสดงว่าเราเห็นปัจจัยการเกิดของเขาไมว่าจะเป็นสุขทุกข์ก็ตามอ๋อเวลามันเกิดมันเกิดที่ละอย่างเราก็ก็แปลว่าเราก็สามารถพิจารณาได้เพราะมันไม่ได้เกิดพร้อมกัน มันไม่ได้มั่วมันเกิดทีระยาแล้วก็ดูทีระยาวแต่เรามั่วเองเราโมจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็คือมีสติคือรึกทักขึ้นมาไม่ได้เนี่ยการเกิดของเขาพระพุทธเจ้าอธิบายให้ทีข้านะคะปริพาโชคฟังตั้งแต่ต้นจนจบจนมองเห็นถึงโกรอัตตาทุกอย่างนะี่มันอาศัยอัตตาเนาะ อัตาคืเลย ค, คือขันห้านี่แหละดึงเขาอตามันมีปัจจัยปรุงแต่งก็คือสังขารแล้วอาอะไรมาปรุงแต่งเอาขันห้ามาปรุงมาปรุงมาแต่งทีละเปาะทีละเปาะ ท, ละาะทีละข้อทีละข้อไปแต่เราไม่เห็นกันคือเราอยูระดับไปของมันคือ ข, ขั้นตอนเพราะฉะนั้นกระบวนการนยอยู่ในแนวกระบวนการเดียวกันว่าจะเป็นตันหาก็ตามเวทนาเขาตามอยู่ในระนาบเดียวกัน ม, มันส่งต่อๆกันไปพวก ง, าง่ายๆเพราะฉะนั้นเรื่องที่พระเจ้าจัดกับพระมกุลานะกับทีนะค่ะอันบ่งของที่พระส า, ารีบุตรนั้นเป็นเรื่องเดียวกันถึงแม้คนละครั้งคนละที่คนละเวลาแต่เนื้อหาเชื่อมโยงกันแล้วเป็นเรื่องเดียวกันก็คือมองค์ปฏิขันที่มีอยู่ก็เหมือนกับพวกเรานหะ แต่นี้พวเราไม่ได้ดูของควนี้เราก็มั่วเหมือนกันนะ่ะมารู้ว่ารูปก็้าใจว่าเดินไาเขินไปมานะี่ยคือรูปเวทนาจ า, า, ารยสขารเราก็เข้าใจตามสภาพของเราเองเพราะเราไม่ได้เรียนรู้ตั้งแต่ต้นจนจกเขาว่ารูปคืออะไรนามคืออะไรก็คือจิตัทำอะหรือจริงเป็นที่มาของอัตตาตาโดยที่เราไม่สามารถที่จะทำลายอัตตาความยึดความถือนิพิทาเบรคะ ไม่ทัาไม่พูดถึงเพราะมันมาด้วยกันถึงบอกว่าสุขะเนี่ยปลายทางเขาคือหลอกเขาเป็นที่ชอบเป็นที่ชังของคนทั่วไปนี่คอ ป, ปลายทางของเขาก็าคือเดียวคือตัณหานั่นแหละอันคือกรมตัณหาเพาราะว่าตัณหาพิโาตัณหาโดยความหมายแบบว่าใช้ในคนละความหมายกันใช้คนละคนเพื่อให้เข้าใจงาเพราะฉะนั้นเวลา สอนผู้มีปัญญาท่านก็จะสอนอีกแบบหนึ่งท่านจะเรื่องเดียวกันสอนง่ายๆสอนสั้นๆแต่พะสอนสารีสารีบทโดยโมุ่งเอาทีข้นาข่าท่านก็จะทธิบายละเอียดเลยเพราะพระสารีบทเป็นผู้มีปัญญาส่วนพระโมคลานะนั้นไม่กี่คําไม่กี่ประโยคก็เข้าใจสื่อสารแล้วเข้าใจได้เพราะบรรลุได้ภายในเจ็ดวันกับที่เวทนาสามอย่างคือ สุขทุกข์หรือว่าเฉยๆนี่ที่เรียกว่าเป็นโมหะทําไมถึงเบ่าบันเฉยๆเพราะมันกดบรรทับแล้วมันโมหะมันครอบงํามันไม่รู้อคือไม่รู้แจ้งมันไม่รู้แจ้งว่าที่มันกดเตมรนทับอะไรนะมันกลายเป็นความหลงโมหะกลายเป็หลงคือไม่รู้ออืในขณะที่อัปปนาสมาธินี่จะไปพูดถึงเลย พระอัปปราสนธิปลาทางจึงไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่กันปัญญาแต่เป็นฐานให้เกิดกําลังหรือว่าพลังเพราะด้นการกระทําของผูนี้พิจารณากลับไปกลับมากลับไปกลับมาตั้งแต่ต้นโ ด, ดยจบเพื่อเกิดพลังเมื่อเกิดพลังแล้วก็ทําสมาธิสมาธิาธแล้วกยกมับอย่างนี้ตลอดเวลามันไม่ได้ไม่ได้แปลว่าพิจารณาพิจารณาตลอดนั่งเนั่งสมาธิตลอดลกระบวนการขั้นตอนไปอย่างนี้ อนนี้คือโศกคาเวทน า, าเมื่อโศกคาเวนาคือมันดับไปความทุกขเวทนาปรากฏอท น, น, นไม่ได้เกิดขึ้นเกิดไปก็ทนขึ้นไม่ได้ตัวนี้ที่เราจะต้องศึกษาความเจเพราะว่าโศกมันติดอืมแต่ทุกขเวทนาเนี่ยไม่ไย้คือทนไม่ได้ทีนี้ถ้าเราไม่สามารถที่จะอืทให้มันลดน้อยถอยลงไป เพะ้นตัวเวทนาทั้งหมดตัวเับเวทนาึคือสุข ก, ก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยๆก็ดีพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่ากำหนดกำนะหนดเพื่ออะไ ร, ระพพเพืพิจรารณาพิจารณาให้ไปอะไรให้มันเป็นใจลักปลายทางเนี่ยคำคำว่าพิจรารณาพระสิทธิทรัตนพุทธเจ้าบอกคือเกิดขึ้นให้รับรู้มันตั้งอยู่กำหนดให้พิจรารณาปลายทางของมันก็คือดับ ที่พูดอยู่เสมอ เ, อ, อเสมอไม่เช่พูดสักดิว่าพูดมันมีเหตุมันมีผลที่มเป็นเช่นนั้นเพราะฉนั้นทั้งสามอย่างเนี่ยเวทนาเกิดขึ้นตัวเนี้ยถ้าเราไม่ฝึกพูดง่ายๆคือสมาธิเป็นหลักอูย้ยากที่จะกดที่จะคมตัวนี้ได้แต่อย่างไรก็ตามทั้งสามอย่างเนี่ยคือสุขก็ดีทุกข์ก็ดีหรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีตราบใด ที่เราวางไม่ได้คือทัองสารอย่างเนี่ยวางไม่ได้ก็กลายเป็นความยึดความถือเป็นรูปในร่างองตัวตนเราเขาเนี่ที่ไม่อยู่เนอันนี้ฐานที่สองก็คือกายานุปัสนาคกายานุปัสนามาอาศัยอะไรเพราะว่าตัวแรกไัก็อาศัยกายถ้ามีกายเวทนามันจะไปอยู่ตรงไห น, นอ่าสมมติว่าตอนนี้ สมัยเคุณแม่ฟังนู้นตอนนี้คือกายทำหน้าที่ไม่ได้และสี่ตัวกายในที่นี้หมายถึงรูปที่เราเข้าใจกันนี่แหละและสี่ตัวก็คือเวทนาสัญญาสังขารพยายิษมันไปไหนกม็มันมีแต่ชื่อมันอาศัยเขาอยู่อาศัยบ้านก็คือดินน้ำไฟลมสี่ตัวเนี้ยเมื่อใดก็ตามที่ดิน น้ำไฟลมมันแยกย้ายกันไปแต่ตัวนั้นมันยังจำมันยังจำอยู่เพราะนั้นถ้าเรายังไม่สามารถที่จะทำลายหรือสอนมันให้รู้จักตั้งแต่ต้นว่าไอ้คาว์บอนรูปที่คุณเข้าใจหรือว่ากายนั่นอะ่ะมันคือดินน้ำไฟลมเนาะแท้จริงธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นจิตมันจะได้รู้ว่ามันหนึ่งถ้ามันอยู่มาได้ มันแยกย้ายกัดไปดินเป็นดินน้นําเป็นน้ําไฟเป็นไฟลมเป็นลมเขาต่างคนต่างไปต่างคนต่างอยู่แล้วแต่เวทนาสี่ตัวเขาก็ไปหาที่อยู่ใหม่คือไปหาที่ตั้งใหม่นั่นคือจิตมันออกจากร่างจะด้วยเวทนาเบียดขั้นอย่างหนักหรืออะไรก็แล้วแต่โดยโรคภัยก็จเบียเบียนหรือโดวยวิเหตุชับพลันอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ไม่ได้เพราะว่าดินน้ําไฟลมมันใช้ไม่ได้พึ่งพาไม่ได้บ้านพัง เขาก็จะไปต่อไปก็โดย่องจะไปอุปาทานคือยังมีความยึดความถืออยู่มันก็ยังยึดรูปอยู่ดีแต่ว่าเป็นรูปละเอียดมันไม่ใช่รูปหยาบเพราะนั้นไม่ต้องเป็นตัวว่ารูปมันจะหายไปมันยังอยู่แต่อยู่ในทํานองไม่มีสติครอบงามคือราเนักขึ้นไม่ได้เนยตัวนี้แหละที่บอกว่าต้องระวังนะ ถ้าสื่อกันห้าของเราเนี่ยเมือม่อเมื่อขันเออธาตุเดินน้ำไฟลมามันไม่อยู่อีสีตัวนะมันทําอะไรไม่ได้มันทําอะไรไม่ได้เนื้อคาว่าเวทนาในในในานามันพู ด, ด้าสอนทีข้าทั้งกะที่จเข้าใจคําว่าเข้าใจในตัวนี้หนึ่งปัจจัยการเกิดขึ้นคือปัจจัยปรุงแต่งมันปรุงแต่งแล้วเกิดขึ้ น, น, นตัง้งบรรดาไปคือเห็น การเกิดและการดับขังหมดว่าจะเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามหรู้เฉยๆก็ตามเห็นกระบวนการแล้วเกิดธรรมะสังเวชออเรื่องทั้งหมดมันเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะว่าเมื่อวันปรากฏแล้วเราเบิดความไปยึดไปถือที่เป็นอย่างไนรก็เกิดัภา้าถ้ามีภาษาก็ไม่เวทนาเวทนาก็ไม่มีตัณหา ไม่มีอาหาก็มีการยึดกันถือมีการยึดกันถือชาติชาราที่พยานะชาติกองเกิดและสิ่งที่ตามมาคือเป็นโพลเลยชาติชาราที่พยามารณนะโสกป ร, ริเทวะนี่คือกระบวนการมันจะตามมาเป็นโพลเลยพลังจากชาติแล้วชาติก็เกิดตั้งแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นตัวแรกของคํานิธิพุทธะอธิบายคือนี่คือเป็นอวิชามกระบวนการตั้งแต่ต้นจึงข้อแรกเลย อาวิชาอาวิชาหน้าตาเป็นยังไงวาดออกมาเป็นรูปไม่ได้เพราะไม่มีรูปร่างก็มันไม่รู้ที่เแล้วเกิดจากความไม่รู้คือจิตมันไม่รู้รู้ไม่ฉลาดเพราะนั้นจิตที่เป็นเนี่ยก็เพราะอะไรก็กลับไปที่จิตเหมือนเดิมเะถ้ามันจิตไม่มีสติคือราลิกเลกขึ้นไม่ได้เพราะจิตเนี่ยมันเป็นกุศลอกุศลเฉยๆมันก็ไม่รู้คือไม่รู้คุณ มาดูโทษของมันมีคําว่าเวทนาเพราะฉนั้นเวทีผัวก็คือเวทนาเวทนาทางกายเวทนาทางจิตคือข้างไหนดูที่ว่าเราจะดูตรงไหนว่ามันเป็นเวทนาสวยคนที่เวทนาจริงๆแปล ว, ว่าสวยสุขะเวทนาคือสวยสุขทุกขเวทนาก็อสวยทุกแล้วก็สเสวยทั้งสองอย่างไม่เจอในกับโมหะ ยู่เป็นที่มาสรุปที่จริงแท้ที่จริงมันก็คือเป้าหมายปลายทางของมันคือราคะโทสะโมหะที่อยู่ในตัวเราเป็นต้นเป็นตอเป็นเหตุเป็นผลเป็นปัจจัยหลักเดียวกันเลยก็อิทธิปัจจิตาแนวความหมายอันเดียวกันสมมติจะประบอกว่าอันเดียวกันตัณหาสามอันเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่านี่คืออริยสี่ก็อันเดียวกัน มันไม่เหมืนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อคือคดขะแจ้งคือสัตจกัติแปลกระทำให้แจ้งจากมาก่อนมันมืดไม่เห็นหนทางเลยเริ่มเห็นหนทางว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี้เองเพราะฉะนั้นหลักอริยสติก็คืออันนี้อันแรกคือกําหนดข้อแรกอันแรกก็คือทุกทุกให้กําหนดสองคือตัญหา ที่แสดงใหนท่านวาล้ากางนตั้นหาได้ต้องละประการกำลังกลัวปะหานะอัะคือตัวละ ต, ตัวที่สามเนี่ยทำให้แจ้งเหมือนท่านที่ขั้นรับเข้าใจอเอาความเป็นจริงคือแจ้งเสร็จแล้วก็ทำให้มันจริงคือภาวนาทำให้เจริญขึ้นทำให้ีขึ้นคือพัฒนาเนี่ยครอบกระบวนการอย่างนี้สุดท้ายปลายทางเป็นไปเพื่อความหลุด พ้นพ้นจากอะไรพ้นจากสุขะทุกขะอทุกขะหรือรลากโทสะโมหะนั่นเองคือเห็นตามสภาพความเป็จริงแล้ววันหนึ่งมันก็แยกย้ายกันไปทันที่เข้าใจอย่างนี้ก็เป็นการเข้าใจอัตตาคือตัวตนที่ยึดที่ถือมานานที่เข้าใจมานานเข้าใจว่าอนาคตของเรานั่นก็ของเขา แท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ที่ผู้เจ้าถามปัญจวัคคีย์ในเรื่องอัตตานะในกันแรกคือธรรมจักกะดีกันที่สองอนัตตก็ดีคือถามอันนี้หนะคือถามกันห้าของเราเนะี่ยตอนต้นแต่แตรูปาาาพิจาราจิตวญญาณควรจะยึดถือไหมพอถึงกันที่สองว่ายึดถือแล้วเป็นสุขหรขือเป็นทุกข์ที่เข้าใจแล้วก็ต่อว่าเป็นทุกข์ เน่คนไมื่อไปทุกทุกคนจะยึดถือไหมมันก็คือไล่ไปัเองจุดท้ายก็ไม่ควรยึดไม่ถือมันเป็นเราเป็นเขานีจิตก็คือสวะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือสปปรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวงในโลกนี้มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วมีการดับไปเป็นธรรมดาก็คือใจลัะมันเองโดยความหมายก็แสดงว่าพูดเจ้าพูดอย่างนั้นแสดงว่าสื่อสารเข้าใจแล้วผม สำเร็จแล้วเบื้องต้นเราจะเรียกว่าได้ดวงตาคือสว่างอย่างเรียกว่าสว่างทางธรรมเรียกดวงตาเห็นทางถ้าเป็นภาษาเรอง่ายคือโสดาบังคือมั่นคงในพระรัตนกายคือพระพุทธเจ้าประทามพระริยสงฆ์เนี่ยคำว่าพระรัตนัยมั่นคงไม่หวั่นไหวไปตามสัญญาอารมณ์หรือสิ่งชักจูงอื่นๆไม่มีเนี่ย แต่แต่ประมาทสินเป็นที่ตั้งสินสมบูรณ์ไม่ใครที่จะทําให้ระเบิดสินคนนี้ได้วิจิกิจจาความสงสัยที่มีอยู่ว่าจะเป็นชาตินี้ชาติโนชาติหน้าชาติหลังหรื อ, อดใดก็ตามนี้่คือไม่มีอันนี้คือบันไดขั้นแรกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําตอนนี้นก็คือตั้งจิตคือสอนเจตใจเบื้องต้นว่าให้เข้าใจเวทานาต้องการอย่างเหมือนที่ ผู้ชาวท่าน จ, จัดไว้กับที่ค่าน้ำค่ะแต่ว่าะในทางปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องทําความเข้าใจว่าเวทนาแต่ละตัวจะอยู่กับมันยังไงเราจะอยู่กัเหนือมันยังไงเส้นสุขาเนี่ยอะไรที่ปรุงแต่งแล้ทําให้สุขาความหมายกุ้ยเหตุปัจจัยอะไรที่ทําปรุงแล้วทาให้เราสุขาคือสวยอารมณ์อนั้นเหตุปัจจัยอะไรที่มันสวยแล้ทํามันทุกข์ขับ อึดอัดขัดข้องอยู่ไม่ได้เพราะอะไรมาจากเหตุอะไรคือหาสาเหตุเขามันจนเข้าใจอ๋อที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราไปเข้าใจว่าเออเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาหรือไปยึดไปถือเอาถ้าวางว่ามันไม่ใช่ของของเรานะรูปร่างกายอันนี้ส่วนหลักปฏิบัติอีกเรื่องหนึ่งนะในทางปฏิบตัติอันนี้พอถึงในรูปแบบ ท, ที่บูธาพยายาที่จะแสดงให้เห็นส่วนในทางปฏิบัตินั้น ก็มีวิธีเดียวคือกำหนดลมหายใจคืออัศสาตปาสาตที่พระยาใช้อันนี้แหละลมเข้าลมออกเนาเรียกอัศาสาปัสาตเรียกว่าอานองปานสัสสติที่ตั้งของมันหนึงคือกายเวทนาจิตแล้วกระทำเห็นไหมที่ตั้งของเขามันอยู่ตรงนี้เราจะตั้งไว้ตรงไหนว่าต้องกายก็พิจารณาเรื่องกายดูความหมาย ตงงังเวทนาพิจารณ์ต้อมีเวทนาด้วยกันสวยของมันจิตจิตที่เป็นกุศลอกุศลเฉยๆไม่ต่างกันเลยทำเพราะอาจก็ทําอะไรหนึ่งพิจารณาให้เป็นธรรมให้เป็นธรรมะเป็นธรรมชาติคือให้เป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมะดาวหนเนาเนี่ยก็ธรรมดาธรรมดาก็ไม่ใช่ผิดปกติมืดสว่างเย็นร้อนอ่อนแข็งดินน้ำไฟลมนี่ก็ธรรมดาของเขา แต่เราตอนนี้อะไรเงี้ไม่เห็นนะมันเป็นธรรมดาแล้วก็เราวางสิ่งเหล่านี้ปกติกันเขาอย่างนั้นดินก็คือดินเขาจะไม่เดือดร้อนเหมือนที่เป็นแผ่นดินลักษณะที่แท้จริงใครจะทําอะไรก็แล้วแต่ใครจะขี่ใครจะเยี่ยวลงไปดินเขาไม่ได้เดือดร้อนแต่ว่าดินในร่างกายเราทําไมเดือดร้อนเโอภิญญาโกรธน้องค่ะเออทําไมมันดินในตัวเราถึงเดือดร้อน น้ำอยู่ข้างนอกหุวยน้องของบืองทะเลมหาสมุทรเขาก็ไม่เดือดร้อนะแต่พัดน้ําอยู่ในตัวออกไปทําไมเดือดร้อนดังนั้นบางสิ่งล้มเรียกว่าพูอยู่ข้างนอกเกี่ยเราเยอะเข้าใจอยู่ข้างนอกแล้วพอมาอยู่ข้างในก็เหมือนกันลักษณะอย่างนี้เราเข้าใจระบบหลักการวิธีการแตามันก็ทำใจเป็นกลางแล้วโดยมันใจเป็นกงก็คือไม่สุขไม่ทุกข์กับเขา คือสบายก็ไม่สบายก็เฉยๆแต่มันก็ไม่ได้แค่นั้นนะถ้ายัางกดตัวนี้ยังไม่ได้ล็บตัวนี้ยังไม่ได้มันยังเหมือนเดิมเดิมโดยการกาหนดลมหายใจเข้าไปห้เข้าถึงใจใได้อาจจะไม่เกี่ยวกับกายแล้วก็พอเข้าถึงใจแล้วเข้าถึงจิตสภาวะมันจะมีความรู้อยู่ข้างนในเช่นเมื่อเราเข้าถึงสภาวะอย่างนี้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นชั่วครั้งชั่วคราวหรืออุปจระหรือเข้าไปลึกจริงๆพอจิตมันถอนออกมาคําว่าถอนคือรู้ตัวเพราะก่อนหน้านั้นเข้าไปลึกจนมันไม่รู้ตัวคือไม่รู้ตัวคือพลาดข้างนอกแต่มันไม่รู้คือไม่ได้รับรู้อะไรมันอยู่ข้างในพอถอนเข้ามาพามันคืรู้ว่าอ๋อกายเป็นอย่างนี้จิตเป็นอย่างเนี้ยอันนี้ก็เรียกว่ารู้กาย รู้จิตต่อไปคือกําหนดกายแต่ใช่ว่ากําหนดกําหนดกายกําหนดจิตนี่คําว่ากําหนดคือร่มต้นจากรมกับอนาปนานสติก็ทำให้ไ ป, ไปชํนานาญเองเช่นเดียวกันกําหนดกายกำหนดยังไงถามอะไรคือกายแต่ที่เราเข้าใจที่ผ่านมาเราเข้าใจว่าตัวตนก็คืออัตตารือท่าสี่กันห้าที่เราเข้าใจกันบางคนเข้าใจว่าสังขาร ปิจิงสําคัญนั้นแปลว่าปรุงไปว่าแต่งครับเป็นที่ปรุงเป็นที่แต่งนี่กําหนดกายตั้งหัวกายรู้กายกําหนดจิตรู้จิตเห็นแ่้วจะอยู่กับกายหรือจะอยู่กับจิ ต, ตถ้าจะอยู่กับจิตก็จกจิตขึ้นมาพิจารณาก็จะรู้เรื่องจิตเข้าใจเรื่องจิตกายมันทําหน้าที่ของเขาเย็นดอนอ่อนแข็งมันเป็นกังเขา่า เราไม่ได้รับรู้เรื่องกายกำหนดจิตสภาวะจิตเป็นยังไงจิตจิในขณะมันปรุงมันคิดอะไรมันแต่งอะไรนี้อะไรเป็นปัจจัยให้มันปรุงมันแต่งแต่ทำไมไม่แม้สิ้นสุดเราไม่เห็นความปรุงความแต่งจะมาให้มันปรุงมาแต่งไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของมันมันปรุงมาแต่งกันเนี้อมนเกิดสติสมาธิปัญญาไหมมันก็ไม่เกิดทําไมถึงไม่เกิดเด็กจิตจิตคือกายเห็นไหม เวทนาจิตธรรมฐานของจิตมันอันเดียวกันมันไม่ได้แยกัยนทางปฏิบัติอืด้านนผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าเราเข้าใจะจะกําหนดเรื่องอะไรเรื่องเวทนาก็ตามถ้ากําหนดเวทนาว่กควจะลืมกายเช่นลมหายใจเข้าออกอะไรก็แล้ ว, แ, ลวแต่ถ้าเวทนาจะเป็นกายก็กำหนดลมลมหายใจเขา้าหายใจออกหายใจสั้นหายใจยาวหายใจสั้นเราใหายใจเยอะแต่มันก็ยังมีลมอยู่ แต่ถ้าเราควุมอะไรไม่ได้เลยจิตมันดนเวทนาบียดขั้นอย่างหนักมันก็จะดืดออกจากร่างคืออยู่ไม่ได้มันเดืออกจากร่างเสร็จอ่เนี่ยเขาก็มาตายเขามาตายอย่างเี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อเจออกจากร่างเนี่ยเขาก็จะถามจะอยู่หรือจะไปถ้าคนมีสตินะคนที่รับการฝึกแล้วมันจะอยู่หรือจะไป คือถ้าจะอยู่เับกําหนดลมหายใจมันมีสติขึ้นมาเพราะจากการฝึกเนี่ยคือนึกก็ได้แต่ถ้าเราใช้กาหนดกําังมบอกข้อไปเราจะช่วยอย่างไงก็คือกําหนดสติให้กําหนดสติคือกําหนดลมหายใจอาจจะมากมีน้อยไม่เป็นไรแต่ต้องมีลมถ้าไม่มีลมอยู่ไม่ได้คือร่างกายจะอยู่ไม่ได้เพราะลมจึงเป็นตัวประสอนอยู่กับลม อยู่กับลมนี้ไปเลยส่วนร่างกายเย็นดอนอ่อนแข็งเข้าไปตามธรรมชาติของเขาแต่ถ้าเรากําหนดไม่ได้ร่างกายบางทีทำหน้าที่เสบ่าลมเรากำหนดไม่ได้คือหายใจเข้าก็ไม่ได้หายใจออกก็ไม่ได้แต่ใครไม่เป็นนราไม่รู้สบ่าวะอย่างนี้ตัวเราจะต้องแก้ปัญหาไงชีวิตไม่รู้ปัดตัวบางทีเลมแข็งลมไม่เข้าลมไม่ออกไม่เป็นไหนข้างบนก็ไม่ออก ข้างล่างก็ไม่ออกพวกเราลองคิดดูสภาพอยตางนี้ลมมันตีกันอ่ะลมมันดันมันจะเป็นยังไงถ้าไปฝึกไม่ได้เลยลมทั้งอย่างเส้นเลือดมันก็จะปูถ้ามีลงประสานสุดท้ายเมื่อลมมันออกแล้วไอ้เลือดที่มันอยู่นะมันก็จะไหลออกตามทวารเวลาตายใช่ช่องทางไหนไม่มีช่องทางออกมันก็จะไหลหมอเขาจะอดไว้ กดปะอุจงโงกขุช่างอุทรวานงั้นเลือดมันจะไหลเพราะมีลมมันดันออกนั้นเนาะมันก็คือน้ําอะเลือดก็คือน้ำนัำน่นแหละมันก็ออกมาทางธรรมชาติแต่ตัวที่ไปสี่ตัวคือเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณมันไปต่อมันไม่ได้ตายของร่างกาย น, ยนี่เป็นที่มาพอเทศเสร็จทือข่านันกนเข้าใจกระบวนการ พจทธนาคอยตามกําหนดตามคือพระพุทธเจ้าทีละขั้นทีละขั้นทีละอย่างกับพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นะถ้าหอดว่าสุขทุกข์เนี่ยมันเกิดทีละครั้งทีละอย่างทีละตัวเพราะฉะนั้นเธอก็ต้องกําหนดถ้าสุขมาก็กําหนดสุขทุกมาก็กำหน ด, ท, หดทุกู้ไปขามาก็กำหนดอปกขาง้เพราะทุกอย่างมันไม่ได้เกิดพร้อมกันก็เริ่มเข้าใจว่าโอ้เรา สุดท้ายเราจับทิศทางอะไรไม่ได้เนยตอนตนี้รู้แล้วว่าถ้าตัวไหนชัดกว่าหลวงปู่ท่านเองนิ้วว่าอะไรมันชัดกว่าก็กําหนดตัวนั้นนั้นควาหมายเดียวกันนะเวลากรูบาอาจารย์ ически. แต่เพียงแต่ว่าท่านจะสื่อสารว่ายัางไงตอนนี้แต่ความหมายที่แท้จริงคืออันเดียวกันตัวไหนมันชัดเช่สุขปรากฏมันเยอะกว่าทุกข์กพิจารณาสุขคือกําหนดนั่นแหละท่านใช้คำว่ากําหนดนะทุกข์ก็เช่นเดียวกันมาสุขมาทุกข์ก็เช่นเดียวกันนั่นก็แปลว่าถ้าเรากําหนดได้อย่างนี้ ก็กำหนดราคะได้กำหนดโทสะได้กำหนดโมหะได้แปลว่าเราดับราคะโทสะโมหะซึ่งเป็นบันไดขั้นสูงกว่าโซดาบันพวัะ น, นั้นถ้าใจกำหนดต่อหลังจากโซดาบันก็กำหนดให้รู้ว่าราคะโทสะโมหะมันมาจากไหนในต้นตอนของมันเพราะมีรูปอันนี้แหละเป็นแกนกลาง เป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยทําให้โมหะหลงคือไม่รู้ขั้นตอนไม่เห็นในทางในการปฏิบัติการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปคือปลายทางคือใจหลักนั่นเลยเพราะนั้นโดยสรุปก็คือถ้าใครยังไม่เห็นนนี่เป็นกระบวนการเห็นเฉพาะอันใดหนึ่งเช่นเห็นการเกิดอย่างเดียวเห็นการตั้งอยู่อย่างเดียวเห็นดับอย่างเดียวไม่เห็นเป็นกระบวนการก็มันชื่อว่าใจหลัก ก็คือไม่ได้ผ ล, ล, ผลนั่นแหละผลังเพราะนั้นการเห็นในถีงต้องเห็นเร็วที่สุดคือเห็นการเกิดของมันและเห็นการดับของมันให้เร็วที่สุดถึงจะทำลายมันได้ ไ, ไม่ใช่ไปยืดเยื้อจนไปรู้ต้นรู้ปลายรู้สายมรู้อะไรเป็นอะไรที น, นี้มันอยู่ที่สติปัญญาอันนี้สำคัญถ้าสติปัญญาเราน้อยหรือว่าเราฝึกมาน้อย ฝึกมาไม่เยอะเพื่อฝึกตั้งไม่ฝึกบงังมันก็หายไปของเหล่านี้ก็ไม่อยู่มันก็ยังใช้ไม่ได้คือยังปราบไม่ได้คือใช่จริงไม่ได้มันก็ใช้ได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ก็ยังดีนะดีที่ไม่อยู่ในกระบวนการความคิดกองเราเลยในะแต่ละวันมันง้งก็จะลาบากการนั่งปฏิบัติทั้งหลายควรกําหนดลมหายใจอานาปานสติเป็นพื้น มีอะไรก็ตามแค่กําหนดลมหายใจก็ได้ส่วนคําบริกรรมหรือคํำอื่ น, นเป็นเรื่องตามกันมาประดปหลอมหายใจแล้วกำหดอะไรก็ได้พุโทโธก็ได้สมาอะไรก็ได้แล้วแต่มันเป็นประเด็นรองไม่ใช่ประเด็นหลักนั้นโดยเฉพาะที่คนที่ร่างกายสังขารไม่เอื้ออํานวยจะเลือกโดยวิธีใดก็แล้วแต่ถ้าไม่สามารถที่จะอยู่กับมันได้คือเวทนาเนี่ยมันก็จะลําบากละเพราะสุดท้ายก็ ไม่รู้จะทาอย่างไหนไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไหนก็ให้นึกถึงคําของพระพุทธเจ้าในข้อนี้ที่แสดงโปรคือคะนะคักข่าหรือภาษาลิบุตรพูดยัดงไงฟังแล้วสําเร็จได้ประโยชน์โดยหลักการวิธีการเริ่มต้นทำการจุดจบเป็นอย่างนี้พูดงา่ายคือเข้าใจอัตตาตัวเองนะคือเขาาเ้าใจเราเข้าใเขานี่แหละ เมื่อเราก็จะอัตตาแล้วก็วางอัตตาได้คือปกติของเขาอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปถึงเวลาเพื่อมันก็นจะต้องไปอยู่แล้วก็ทําแต่อย่างเป็นเบื้องต้นก็เขาโหนแค่ดูลมหายใจดูผู้รู้ดูผู้รู้มันจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่อยู่กับผู้รู้อันนั้นแล้วมันจะมีความรู้ความพิเศษที่เกิดขึ้นเยอะแยะบางมาก็เป็นถือว่าเป็นผลพลอยได้เพราะหลังจากนั้นหลังจากจิต ในขณะที่จิตจะออกจากร่างไปมันจะไม่เหมือนมนุษย์มนาทั่วไปเพียงแต่ว่าพูดไปได้แสดงไม่ได้รับรู้หมดว่ามันมีสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจมันมีแต่ไม่สามารถมาเป็นหลักเป็นฐานพูดจะอธิบายขยายความได้โดยเฉพาะอย่างทางวินยัยพระนั้นไม่ได้เลยแต่ว่ามันมีมันเป็นมันอง น, นั่นนั่นแหะคือผู้นาทาง เพราร่อนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญมากๆไม่ใช่ต้องการจะมาลองฝึกให้ชํนานาญเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วสุดท้ายปลายทางม่วจะเป็นเรื่องพูดถึงเวทนาเรื่องปัญหาเรื่องอะไรก็ตาทุกอย่างมันเป็นกระบวนการเดียวกันผดงานือเป็นเรื่องเดียวกันนะแต่ว่าขั้นตอนเบื้องต้นทํากลางเสิ้นสุดให้เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะเย็บอะไรขึ้นมาพูดแต่สุดท้ายปลายทาง มันต้องเป็นเรื่องเดียวกันเป็นกระบวนการเดียวกันเสุดท้ายก็คือปลายทางจริงๆก็คือไตรลักษณ์นี่นแหละเป็นตัวกําหนดว่าที่เรารู้เราก็เห็นเบื้องต้นทํากลางที่สุดนั่นบรรพบุรุษ ต, ต, ตรงไหนมันตั้งอยู่ตรงไหนมันสิ้นสุดตรงไหนในขณะที่มันตั้งต้นมันมีอะไรปรุงแต่งให้มันเป็นอย่างนั้นมันปรากฏอยู่ผลมันเป็นอย่างไร มันสุขมันทุกข์เฉยๆเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูอย่างเดียวอย่าไปผปสมโว่งกับเขาแล้วสุดท้ายไปทางการดับการไม่มีของเขามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นถ้าใครเห็นอย่างนี้แล้วก็ชื่อว่าเห็นการเกิดขึ้นทั้งอยู่แล้วดับไปคือทำทำทั้งปวงต้องใช้คบว่าทำละแต่คือสภาวะรมละไม่เกี่ยงรูปร่างกายเน่ ดูสภาวะทำทำทั้งปวงเนี่ยมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นคือคำว่าทำ้ำคือสภาวะทั้งหมดทั้งปวงทั้งจะเป็นรูปธรรมนามธรรมามั น, ม, นมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับอย่างนี้เป็นธรรมดาคือเรื่องปกตินะถ้าใครพวกได้อย่างนี้ตั้งแต่ต้นจบไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเอาแค่เวทนาสามเป็นตัวจับคือเป็นประเด็นอ่ามรติภูยยอดตรัสบอกล้วก็ไม่ได้ตัดเฉพาะคนเดียว เรื่องนี้แต่ว่าอธิบายคนละอย่างแท้ที่จริงเนื้อหาสาระอันเดียวกันทั้งหมดทั้งมวล น, นี้มันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ในตัวเรานี่เองเพราะนั้นกายปีธนาจิตธรรมมันไม่ใช่ไกลเลยเบนอยู่ในตัวเรานี่แหละเพียงแต่เราไม่เห็นคือไม่วิปัสนา วิสนาคือทั้งรู้และเห็นรู้แจ้งเลยน่ะไม่ใช่รู้ธรรมดารู้แจ้งเห็นจริงคือเห็นได้เห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงและเขาก็จะอยู่ตามธรรมชาติของเขาอยู่อย่างนั้นสุดท้ายดินน้ําไฟลมเขาก็ไปของเขาตามนั้นแต่ตอนนี้เราไม่ได้เข้าใจว่ามันเป็นดินเป็นน้ําไฟลมเป็นใจว่ากายของเราแม้แต่เวทนาก็จะเป็นของเราเป็นสุขกวาทุกข์กของเรา โอ้ทำไมทุกข์หรเกิดเพราะเป็นไปของเราไนงะพ้อมยังปล่อยยังวางไม่ได้เอาน่าการฝึกของเราคือต้องการฝึกให้เห็นสิ่งเหล่านี้แลปลายทางคือการวางวางอารมณ์วางจากสิ่งเหล่านี้หรือทําสิ่งเหล่านี้ให้มันน้อยที่สุดเบื้องต้นก็คือกําหนดลมหายใจธรรมดาแล้วมันจะมีความรู้สึกพิเศษขึ้นมา น, นั่นเป็นผลพระน่าตามมาเพราะน่าตามตา ม, ตามขั้นตอนอย่าไปจะร้อนจะ่าไปรี เขก็จะไปสเปซ ส, บสบอบปากเนี่เพราะสิ่งนั้นที่พูดมาทั้งหมดพระพุทธเจ้าเป็นคนพูดเนะไม่ได้พูดเอง ต, ตัดกับใครตัดกับภาสาริบูตตัดกับที่ขน้นอัคคะตัดกับตัดกับวัคคานะ ต, ตัดกับตัดกระทาสักกะเรื่องทั้งหมดทั้งหมดเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันนะแต่ตัดเป็นกระบการคนละทิศคนละทางท่านั้นเองแม้แต่พระปรมเทศนาก็คือเรื่องเดียวกันแต่ช้างว่า ทานยกขึ้นมาเรื่องทางสามทางคณะคือการบริโภคกามแล้วก็ทางสายกลางล ก, การทรมานตนคำว่าตนก็คือท่าสี่ขันธ์ห้าเนี่ดยดอกโมงไม้ตนสุดท้ายก็เข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือทั้งหมดทั้งปูกในโลกนี้การเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็คือใจรลักเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระอัญกชิญเข้าใจคือไตรลักนั่นแหละ ย, ยังเกณจีสุบุตยะธรรงสัพปะตังโรธธรรมมันสาบาลี ก็แปลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทังปวงมีความดับไ ป, ป็นธรรมดาแปลว่าท่านเห็นการเกิดขึ้นการที่อยู่ไกลไกลคือใจรักนั่นเองเป็นเบื้องต้นอย่างเนี้ยเนี้่ก็คือคุณธรรมเบื้องต้นบันไดขั้นแรกที่พวกเราควรศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำไปสู่การปฏิวัติจะได้ไม่สเป ส, สป่ามคืออะไรแต่ถ้าหมดต้นบทถ้าใครทําได้แล้วมันไม่ได้แยกเหมือนปริยัต ในทางปฏิบัติมันเป็นอันเดียวกันมันเป็นกระบวนการเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกายก็ตามเวทนาก็ตามจิตก็ตามธรรมก็ตามมันเป็นเรื่องประกันเพราะฉะนั้นแค่กําหนดลมหายใจให้เป็นให้ชํานาญจนท้ายลมหายหรือแต่ใ จ, ใจนั่นเหละเราก็จะรู้ว่าเออใจคือใจกายคือกายให้มันแยกออกเป็นเรื่องของกายกับ เ, เรื่องของจิต ตอนนี้เรายังแยกไม่ออกสุดท้ายก็คือมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขามันเป็นของกลางอยู่มันเป็นดินเป็นน้านไฟเป็นลมนี่เป็นไปเพื่อความละถอนปล่อยวางอย่างแท้จริงงั้นมาสเปรศปะไม่รู้จักกําหนดทางไหนโมนจิโก้กำหนดลมกำหนดยังไงเถ้าเราฝึ ก, กพื้นฐานตั้งแต่แรกเหมือนผู้ใจอ่อนเราฝึกอบรมหายใจนี่แหละวันหนึ่งจันทร์ก็ใช้สติปัญญา ก่อนที่ใช้สติปัญญานั่นก็แปลว่าให้เรามีสติก่อนให้มีปัญญาก่อนเพงจะใช้ได้ไม่ใช่อยู่ๆก็จะใช้สติปัญญาเหมือนทีมีสตังเราต้องมีสตังก่อนเพิ่งใช้สตังได้สตังหามายังไงเราต้องหาสตังวิธีแบบเยอะแยะมากมายแต่ละคนการที่ได้สตังมามีก็ไม่เหมือนกันมากน้อยก็ไม่เหมือนกันสติปัญญาก็เช่นเดียวกันการหาสติปัญญากับตัวเองนั้นมีมากมาย บากยหลายทางแต่ว่าต้องให้มีสติให้มีปัญญาก่อนถึงจะใช้สติปัญญาอันนั้นเป็นไปเพื่อละถอนปล่อยวางคือรู้การเกิดขึ้นตั้งอยู่และการดับไปของตัวเราเองคือจิตกันเองในค้ับก็จะวกไปวนมาอยู่อย่างนี้นเมื่อร่างกายคือรูปวันนี้อยู่ไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้จิตที่มาใส่อยู่มันก็ไปหาที่อยู่ใหม่นะอนนี้จิตแต่มมันไม่มีพื้นฐานเลย ไม่มีควมรู้ไม่เคยฝึกแม่งขนาดไโดยสภาวะอธิจิตมันคิดอะไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นอาจจะเกิด อ, อะไรขึ้นออันนี้คือสภาวะที่โลกภูมิชั้นของจิตของเราอันตรายถ้าจิตก่อนที่ออกจากร่างกําหนดอะไรไม่ได้โดยเฉพาะคือเวทนาบิวขันหนักๆ อ, อย่างตายปางตายเลยเนะถ้าเวทนาบิวขันหนักๆก็คนพูดเองก็โดนหลายรอบแล้วทําม่งา้นคงไม่ได้มาพู ด, ดอย่างนี้จนก็รอดมาได้ กำหนดลมหายใจแต่ว่าหายใจที่มันรอบมันได้ไม่ใช่ใจหายใจได้มันหยาบๆอันนี้แบบหายใจที่มันละเอียดคือหายใจนิดเดียวมันก็เต็มอิ่มเข้าแล้วแต่คนทั่วไปเข้าไม่ได้เหมือนหายใจเข้านิดเดียวเราลองทําดูหายใจเข้าดเดียวแล้วก็หยุดหายใจออกเดียวแล้วก็หยุดนั่นแหละคืออาการมันจะไม่ไปมาไหนมันอุดอัดกัดข้องข้องมไม่ทะลุทะลวง เพราะนั้นในขณะที่ลมหายใจยังสะดวกคล่องอยู่อย่างเนี้ยถือว่าโอ้โชคดีมากเลอืมเราไมาอยู่ในภาวะอย่างนั้นเรียกว่าภาวะวิกฤตอย่างมากในขณะนั้นแต่ก็พร้อมที่จะอยู่พร้อมที่จะไปทุกเมื่ออย่างเนี้ยตั้งใจไว้อย่างนี้บุญเราจะไม่เดือดร้อนเลยจะไม่กลัวเลยความตายความตายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติอยู่ก็ได้ไปก็ได้ถ้าเรามี็นความพร้อม กาถามเงิตอนนี้เราพร้อมหรือยังพร้อมที่จะทิ้งอันนี้ไปหรื อ, อยังถ้ายัางไม่พร้อมเตรียมตัวให้พร้อมคือจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ไมันนี่เป็นถ้าเราพร้อมคือความดีเราพร้อมสติปัญญาเราพร้อมคือพร้อมที่จะไปอย่าได้จะไม่มีปัญหาปัญญก็ฝากพวกเราทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นกําลังใจจะไปเท้อจะต่อยทำให้มันทู่ที่ถูกทางค่อยเป็นค่อยไป เป็นเจ็ดนับหนึ่งเจ็ดแปดเก้ามันเกิดมันเลยมันไม่เป็นระดัขั้นตอนนับหึงเสร็จเราจะได้สิบเลยอะ่ะคือไม่ไปไหนมม่ไหนมันไม่ได้ต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วเป้าหมายปลายทางเราก็จะถึงเองเราจะเข้าใจด้วยตัวเราเองไม่มีใครบอกเราได้สานั้นต้องเข้าใจด้วยตัวเราเองนั่นคือเป้าหมายปลายทางก็เป็นกําลังใจให้พวกเราเพราะนั้นเราเรียนรู้จน พระโมกขลาสารีบทนัก็คือเวทนาแล้วก็ตัณหาแท้ที่จริงเป็นเรื่องเดียวกันแต่คือจะคำทั้งหมดอยู่ในตัวเรานื้อเองเพียงแต่เราจะค้นหาเจอหรืออย่างนั่นเองก็ขออมตนาความดีของเราทั้งหมดทั้งหมดนั้นเป็นกําลังใจพรรษาการนั้นหรือว่าเราตั้งอกตั้งใจกันมาหลายคนหลายท่านเสียสละโอกาสเวลาทั้งวันทั้งคืนก็ถือว่าเนี่เป็นลิมิตหมาย ที่ดีว่เออเรามาถึงขนาดนี้แล้วก็พรรษาหนึ่งก็มีนะไม่นนกี่วันเองก็ถือว่าอะไรสก็อย่าลืมเป็นสัจจะธิฐานคือตั้งใจสัจจะอธิฐานมันเป็นทั้งสั จ, จาะอาิฐาอิฐานบารมีมันได้หลายบารมีเลยได้ธรรมะเก็ได้ในบารมีทั้งหมดน่ะก็ถือว่าตอนนี้เรามรรสร้างบารมีให้มันครบให้มันได้ให้มันเต็มให้ไปสู่ฝั่งโน้นให้ได้ อันทันจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าสําหรับคนที่ในในมหาชนกเราเคยอ่านไม่มหาชนกเราพูดถึงกันลอยตุบป่องตุบป่องกลางฝั่งแต่ถ้าใค้ลอยตุบป่องตุบป่องอยู่เียงจมอยู่ยังชุ่วตัวเรืออะไมาน่านั่นคหนักเลยละ่ะจะเมันเป็นอาหารของปลาคนเยอะอะไรกันทุกแต่แจ้งโผล่ขัวขึ้นมานิดหนึ่งเออก็อยังดีนะจะมีโอกาสนิดหนึ่งถือว่าโชคดีนะเหมือนพวกเราตอนนี้มีอากาศเนี่ยคือมีเวลาปฏิบัติสามก็คือ ขยับเข้าไปนิดหนึง่งเทา้าหยั่งถึงพื้นได้อะแปลว่าใกล้ถึงฝั่งแล้วเออถือว่าโชคดีแต่แต่ถ้าใครขึ้นฝั่งได้แล้วโอ้โชคดีมากเลยตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนไหนหรือตุ๊บปองตุ๊บปองอยู่โป๊ะโป๊ะอยู่เปล่าอยู่ในขั้นไหนหรือว่าเท้าถึงดิบถึงฝังใกล้ถึงฝั่งแล้วอแขหวนไหว้หน่อยแขวนไหว้หน่อย อ, อย่างที่หลวงตงจัดไว้นั่นหลวงตาปิด เที่วปมมาใหม่ดีมากเลยมันนั่งอยู่ที่ขั้นตอนของพวกเราเนะรารู้วันตุบ ป, ปังตุบ ป, ปังเยอะอระวางนั่งมันจะเป็นเหยื่อของเปลา่าคนจอร์เจียมันจะงับเอานะขยันอีกนิดหนึ่งอันนี้นนนนอยู่กลางทะเลอยู่ในห้องน้ํากลางทะเลโอ้คะสงสารอยู่กพยายามนิดหนึ่งวันหนึ่งมันต้องอยู่ใกล้ฝั่งนะอ ย, งนนงอย่างเราใกล้ฝั่งก็ยังดีพอยืนยืนด้วยขาตัวเองได้ก็ยังดีนะ มันต้องไปไหว้มันต้องออกแรงเยอะแล้วคืออย่างน้อยสักเห็นฝั่งก็ยังดีเนะ่ยฝั่งก็คือฝั่งโน้นคือที่ฝั่งที่เราแยาที่จะไหว้ไปดีพบุญเจ้าพระยะพะนานทั้งหลายท่านถึงแล้วก็พยายามนิดนึงไหว้ขยันกันแข็งนิดนึงมันก็ใกล้แล้วอย่างน้อยก็คือไม่โผล่โผก็ยังดีอเขาเป็นกําลังใจให้พวกเราทั้งหลายได้สร้างเสริมบารมีในพันธะการนี้เขออาหอลงมตนา ขอความดีที่เราทำทั้งหมดนี้จะเป็นเครื่องพลวะกกำลังปัจจัยนน้นส่งจิตใจของเราให้มันดีขึ้นสูงขึ้นพัฒนาขึ้นจนถึงฝั่งพระนิพพานเบื้องนาโนนเทิน